ใช่แบ่งใชได้เขาเแกว่านะเา อ, อ น, นี่แล้วกัน<อ>การถวายข้าวการถวายผลไม้เป็นการบูชารุทธรูปน ะ, เ, ะเวลาไหนก็ได้เป็นเวลาดี้เวลาน้เวลาที่เราหลับ <c oughs> อันนี้ ไ, นนนนไม่ถามไม่ไกนะ็น่าจได้เช Damn it! Damn the... i hey. คนเลยเขาว่าท่าสุงเมียยังโสมาแตที่ทำไไ้ไม่ได้ออเรื่องเะทีนี้อัอนนี้เรื่องทำไมล่ะต้องอยางนี้ไได้กินปกติก็แบถ้าตายดีแค่ไหนถ้าไป่ตายก็เกิดควรี้ยงดีก่าควายดีให้เกิดดีกว่าฉันไม่ได้บอกว่าดีฉันบอกว่าเฉพาะาขาว่าท่าซุง เหมือนกันไปวิ่งหารัทานเหมือนกันนะทรายก็ไปหารัทานเด็กก็ไปหารัฐทานปูนก็ไหารัทานแต่ว่าเขาขาดจางไหนเราให้นั้นจะดีมากตองว่าการต่อส ไม่ใช่ไรนะตาเกษตรพิย่าก็บอกลายนี้ใหญ่เลยไปนะพิย่าหอเล็กๆเดวเา แต่นี่มันติดโลภเยอะๆตัจริงจริงัวเองพอแทนที่จะยึดจับจรงจริแต่รักที่ดูเสร็จแล้วที่ว่าทให้พ่อใหยพ่อะไรนั่แลกวทำเสร็จ้วจะขอจับขอจเกินงจต่คนนั้นที่ขอัวก็สิยเข้าไปแล้วถ้เสียีทียัยก็ยัยคนนั้นนะันะ เข้าไปแล้วโอ้ใช่ไหมใจดี n อกเลยใจหวั่นใจออกแวจวันนีเราดีด้วยใชร้ะแก้ยัไาอย่างปกติก็ดีแล้วคับมนดีแล้วทำตามนั้นจะได้รอนมากขึ้นไปติดฟุ้งซ่านติ้งาง be l a t สวยขึ้นกสวยขึ้นที่สองอย่างสวกับสวยใช่บางทีเราจาได้เราอยู่แค่นั้นแต่ว่าความในคลิปสวยขึ้นดีขึ้นเท่านี้ก็ดีกว่าคร<ะ>ับตอนที่แกจาตายใ่ถวายสมณทานบอกให้แก ข, ขอจะถวายสมณทานนะแม่มีตังไหมขอสักห้าสิบกระ่ังใหาไปสัง่งวงันสมณทาน แ, แค่บอกแค่ห้าสิบตงจก็บอลนูนก็ทะเลหมดๆๆๆๆๆ พอสร้าพอกระจังได้่าบาทสองบาทให้ไม่หังใจไงแค่เราก็มารวมแผนเข้าแล้วทานชุดหนึ่งแคกลับไปบอกถ้าแบาั้งสบายเขาทานแล้วนะแม่ทะนในรพแล้วถ้าตอนแกเรานี้จิตไว้จับอะไรแล้วน้อจะตจากบุญให้จากบุน ท่านเป็นอะไรท่านยังไม่ท่านยังไม่ได้ท่านยังไม่ได้ท่านยังไม่ได้ท่านยังไ i ่ได้ท่านยังไม่ได้ท่านยั่ได่านยัได้ทรานยั่ไดท่านยัม่่อนยังไม่ท่านยังไ่ไดายไม่ไ้ทนง่้่าไม่้่านไม่้่นไม่ท่ยัง้ท่านยังทายัม่าไม่ไ้ายังไม่่านรังได้นังไม่ไ่าย้ทเคยได้ยังมาม่ได้ท สายปุ่นก mm ็จมาปฏิบัต่แทนได้ไปทีพิธายานใอ้ที่สร้างทวนเด่นนะเลยๆต้องมองต่อตามมาใช่ๆงั้นก็ด้ว่าพอาเยอที่ปุ่นที่ว่าทีที่ตาแล้วคูครองที่ตายนี่คือแลไ้าของเก่าร้ใช่ๆก็จบได้ป่ต้องมาที่ดีที่ได้ที่ดีที่ได้ก็่ชอบเปลววัเด็กวันที่ให้เก่ ¡Golí! Bueno, ¿eh? yo <tose> รูเพื่อเตะเลยใช่ใช่ใช่ให้ใช่เลยเขาแสดงออกว่าเทวดาที่เป็นญาติเป็นเพื่อนกันกันก็คือเขาบอกได้ที่ฉันเคยปรากฏไม่ได้เตะอนี้ดเลยถมีมีรื่อม่ราะว่าันโกผีอะมีบ้านคนเดียวใช่ไหมข้างนอกคนนอกดีสิบคนเราตัวไงห้อง ตื่อเกิด้างนอกแบเนี้ไปไปมาส4สี่วันเียหาไม่แต่หดไวัยถ้านอนยคนตีกันแม่วันแค่ไมนะ่ี่นีนะต้องวันด้วยต้องันด้วยต้องเคมีคนไหลคนไม่เป็ไองจะอยู่มอ๋อเดินตอนนเสียงกก็ยิดไม้ลุกขึ้นมากเวกมือไม่ร้องยิดไม้ร้กูเห็นแล้วกูไปลงมึงกูชือเท ชินเทพบอกเสร็จเราอยู่เป็นเพื่อนมีตีลงก็แล้วตัวมาดีแล้วใช่ใช่เขามาเป็นเพื่อนเกมมาดีตัวแต่เนื้อสู้อตัวแก่ตัวอะไรเสร็จแล้วไม่ได้ตามมาตีไม้นะถ้าไลนนี้ก็จะแ ทุคนอขอให้่วารเื่อสากจ้ะออยู่เจ้าที่นะเพไม่แน่นอนนักขออานนแต่ใหได้ยน่ไหร่เีความรู้ดีดีไปไปบอกก็แค่ว่าพอพูดเข้าหูมจะผิเขาอ๋อหคับรัต้่อต่อไปม่อย่น้มเอาที่ใช้ทานี่ะนการรูชาเลยนการยอมรับตับถือะ จะไม่อยู่ใกล้คนจริงๆเลยยังไม่มาคนจริงๆเหรอพี่แม่โอเคยังไม่แท่วเชาตกวไม่ได้เที่ยวคนตัวไม่ได้โอ้ยคนจริงๆไ้เลยาชใช่วันนี้แเราอยู่ใกล้หลว่อก็จะมีนี่มากหล่อเลยฮ่ารวยมากเลยมีนี่คอยเอาสุนทรธานีอย่างงี้โอ้ยอ้ยโ้ยตอนนั้นรวยเป็นนางเงิใช่ ไม่ได้เห็นครับเห็นใช่หม่ไอคนโง่มันทำมันเงีย ไม่ก็มีคำแนะนำในสภาโลใหญ่มโลจริงที่อย่างคุพ่อเคยเตัวตัวฉันเอาจริงเลยหรใช่ไม่จเป็น้ระสัิพิมพไปเนี่ยอาว่าพระสติพิมพไปเป็นกระิกก็แล้วกันก็ทำไม่แน่นนะแล้วจะไปทำใหม่ให้แน่นได้ไม่ใช่หายอะไรไม่เชื่ออกถูกต้องบอกป็างล นั่นเลยทำไมไม่แยกการบัรออกมาทำละ ม, ม oh ูล oh. อ๋อไม่ได้ทำก็ได้เลย ก็ไี้ ทเรื sea, ่องหมดเรื ite, ่องเขาก็ทำไปันไมชาติเขาหายนี่เขาได้ว่าจิตัวนี้เกิดจะเข้าธรรมดีแล้วคนจะไม่เงียบแล้บใช่คนที่จะเข้าธรรมดีต้องด่าคนด่าคนนี้ใช่ใช่ทุกที่จะมาจะเข้าขวางอ่ะมันมีเป็นตอนๆนะใครเคยโดนหนตอนพ่อเองก็ใช่ใช่ตอนนี้กาลัง ตอนนั้นเล็ดดายยกชงทุกวันไม่เคยเย็นน่ะแหม่ข้าไมเคยันมีเพงตาอะไรครับทำไมเนี่ยแม่คื่อพ่อไอเคยยิ่ก็นึ่งสิตั้งนักไม่หนักไหนอ่ตอนนั้นพ่อดาวจ้าวใดา แช่งยกทรงให้มันรวยรวยรวยรวยรวยหาผู้ต้องหาใน สองยากากระเบนะกรเบรใช่กากะเบรกกาโดยเริมจากนาลาถ้านาของไม่จะจะไหพระบินปึ๊บไปข้าวเอากับข้าวไปสามคำตายแล้วเป็นเป็นรูปกาจะเป็นเปลไฟไหม้ออกแองจากฟันทนี้เ็ทําดีแล้วมัน็นไรเขาก็มาแล้วเฮ้ยเขนะา ไม่ทำเลยดีสุดลยขอรับดีดีนะีดีนะแต่แต่ยังม่ได้ถ้าตั้งใจจะเป็นค อย <sh arp> ู่ทไม่รู้ไม่รู้เย่าไม่รู้ไ่ร้ลย่าไม่รไม้ัคาเดีนะ ringa